มาเป็นพันสองพันคนพระสงฆ์เต็มศาลาข้างนอกคนเยอะวันนั้น่ะแล้วก็พวกเราก็ไปคราวที่แล้วก็ไปกราบหลวงปู่ทุยดงศีชมพูแต่มาเมื่อวานพวกเราก็ไปกราบหลวงปู่ลีหลวงปูงป่เพ่งทากงเพนจากนั้นก็ขึ้นไปกราบคารวะเจดีหลวงปู่ขาวอนาระโยพระมหาเทระผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเมื่อวานแลวก็เมื่อวานเามื่อวานวันที่27นะวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 8นะพวกเราไปกราบคารวะหลวงปูล่ลีแล้วก็หลวงปู่พิแพงแล้วก็หลวงปู่ขาว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 ก็เป็นอันว่าปัจจัยภายในวัดของเราเนะนี่ยนาคําน้อยของเราเนะี่ยมีส่วนร่วมในห้าร้อยล้านนั่นอะ่ะก็แปลว่าสองล้านสองล้านห้าแสนนะสองล้านห้าแสนอะ่ะที่แต่ว่าคนคนห้าร้อยล้านคนห้าร้อยล้านคนอะ่ะคนห้าห้าร้อยคนอะ่ะคนห้าร้อยคนอะ่เอน 500, นอะเราก็เป็นหนึ่ง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 มันดับไฟไปวะงั้นเออมันดับไฟไปหลวงพ่อ ก, ก็ให้ไปสร้างศาลาบางสร้างพระพุทธรูปบางแทนพระบางเนะี่ยเนี่ยอย่างที่หลุบเราเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันยังไม่เสร็จนี่จ่ายไปเมื่อกี้นะี่กแสนกว่าบาทยังอีกนะยังอีกสามแสนเหนะเอ่อได้ศาลาท่านเจ้ยอีกแต่บาทเนี่ยล้านกว่าบาทนะสมประสงค์อีกล้านกว่าบาทท่านรัตนะอีกล้านกว่าบาทนะทากาแพงงนะ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 ร่วดซึมแตกไหลออกไปมากอยู่นะใช่นไหมหลวงปู่คูนกวาอือไอ้กูได้มาเนี่ยกูก็กได้เขาก็มาถวายกูกูก็ได้มาโดยเป็นธรรมเขาก็ไม่มีขอแม้อะไรมาถวายกูพอกูได้มาแล้วกูก็กจะต้อง แ, กแจกแบ่งบ้างเหมือนกันน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 มาในงานนั้นหลวงพ่อเองเป็นคนอ่านอีกต่างหากชัดเจนก็มีเอกสารอยู่ด้วยแล้วทำยังไงหลวงพ่อก็บอกอพอตกตอนเย็นเอาเราจะทำยังไงพี่น้องเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้งานใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่ใช้เงินเราจะทำยังไงดูสิตกลงกันซีไม่มีใครเสนออไอหนเงียบอา้าวผมเสนอ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 ต้องใจใหญ่แต่ทีนยังไงก็ตามต้องดูเหตุดูปัจจัยกาละเทสะการสถานที่บุคคลเช่นเดียวกันนั่นแหละแหมไม่ใช่ว่าจะทำแบบใช้แบบฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟืยไม่ได้อันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปตามหลักทำคําสอนของครูบ า, าอาจารย์ใช้จนลืมตัวนั้นไม่ได้แหมต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลวงพ่อได้ดูต้องมีเหตุผลแต่หลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกัน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 เพชรนินจินดาไปด้วยเผื่อเราไปเราก็จะได้ว่าจ้างเขามาเ อ, อถากถางบริเวณให้เราพักทํากระต๊อกกระแทบให้เราอยู่เราก็ได้เอาเงินไปด้วยเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่มีในประวัติมีแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ันนะคลี่ผ้ากาสาวะพัดกรตัดมวยผมด้วยพระพระดาบพระแสงขันน อ, อจากนั้นก็ทรงผนวด อยู่ตามลำพังออพออยู่ตามลำพังพระองค์นั้นนะโอ้สุขจริงจอิเป็นอิสระในการเป็นอยูเออ่เหมือนกับนกที่ผลออกมาจากกรงขัง เ, เหมือนกับคนที่หายจากโรคเหมือนกับที่เราเป็นหนี้สินมา ก, ก่อนมากมายปลดหนี้สินออกหมดแล้วเราเป็นไทยเราเป็นอิสระจริงๆโอ้เรามีความสุขนะ